หนึ 127. สภาคาปติปฏิกรรมวิธิว่าโดยวิธีแก้ไขสภาคาบัดเรื่องทรงทั้งหมดต้องสภาคาบัดข้อ221สมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นทรงทั้งหมดต้องสภาคาบัดภิกษุเหล่านั้นได้ปรึกษากันดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุไม่พึงแสดงสภาคาบัด ไม่พึงรับการแสดงสภาคาบัรก็ส่งทั้งหมดนี้ต้องสภาคาบัรแล้วพวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรนาจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในวาดแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นสงทั้งหมดต้องสภาคาบัดภิกษุเหล่านั้นพึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไปยังอาวาตใกล้เคียง พอจะกลับมาทันในเวลานั้นด้วยสั่งว่าท่านจงไปทำคืนอาบัตนั้นมาเถิดพวกเราจะทำคืนนาบัตนั้นในสำนักของท่านถ้าได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสาราบด้วยยติกัมมะว่าจาว่ายติกัมมะวาจาท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงทั้งหมดนี้ต้องสภาคาบัตแล้ว เมื่อพบภิกษุรูปอื่นผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติก็จะทํำคืนอาบัตินั้นในสํานักของภิกษุรูปนั้นดังนี้แล้วปวารณาแต่ต้องไม่ทําอันตรายต่อปวารณาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยสงฆ์ทั้งหมดไม่แน่ใจในสภาคาบัตภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาตแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นสงฆ์ทั้งหมดมีความไม่แน่ใจในสภาคาบัต ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติกัมมะวาจาว่ายติกัมมะวาจาท่านพูดเจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงทั้งหมดนี้มีความไม่แน่ใจในสภาคาบัตเมื่อหมดความไม่แน่ใจก็จะทําคืนอาบัตินั้นดังนี้แล้วปวารณาแต่ต้องไม่ทําอันตรายต่อปวารณาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยปฐมภานวันที่หนึ่งจบ